สามีภรรยาคู่หนึ่งนะย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่นี้ก็อยู่ริมบึงนะบังเอิญ น, นะสามีเป็นคนชอบตกปลาขณะที่ภรรยานี่ไม่ชอบนะเพราะว่าแกเป็นผู้ที่ไฝ่ธรรมนะถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดแล้วก็พบว่าสามีเนี่ยหลังจากย้ายมาบ้านใหม่ไม่นานนะแกก็ชอบไปตกปลา เพราะว่าปลามันชุมมากเลยอดรนทนไม่ได้นะันได้เสียงปลาพุบเหยือ่อก็ต้องคว้าเบ็ดนะไปตกปลาภ ร, รยาเห็นก็ทีแรกก็ทำใจนะแต่ตอนหลังก็ไปขอร้องกับสามีว่าอย่าตกปลาเลยนะเพราะว่ามันเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็ไม่ได้อยากจนอะไรนะ ไม่ต้องถึงกับตกปลาเพื่อเอามากินสามีก็ที่แล้วก็ใบเบี่ยงแต่ตอนหลังภรรยาก็ขอร้องว่ายัางไงก็เห็นแก่ฉันเถอนนะสุดท้ายสามีก็ตกลงนะรับปากว่าจะไม่ตกปลายก็แล้วไม่กี่วันต่อมาภรรยาก็ไปต่างจังหวัดนะไปสมัมมนาห้าวันก็เหลือ สามีเฝ้าบ้านคนเดียวสามีเนี่ยได้ยินเสียงปลามันฮุบเหยื่อวันแรกก็ยังพอทนไหวนะหาห้ามใจนะไม่ไปตกปลาวันที่สองก็ยังห้ามใจได้อยู่แต่พอถึงวันที่สามนี่มันทนไม่ไหวแล้วปลามันชุ่มมากทนจนถึงตอนเย็นห้ามใจไม่ไหวก็เลยนะคว้าเบ็ดออกไปตกปลาขณะที่กาลังเกี่ยว เอาไส้เดินนะเกี่ยวกับเป็ดเอาเบียงไส้เดือนเบียเ่ยงเป็ดลงไปลงน้ําไม่ทันะลายภรรยานี่กลับมาบ้านพอดีเลยงานเลิกก่อนกําหนดสามีก็ไม่ทันรู้ตัวนะภรรยาเห็นสามีนะตกปลาคาหนังคาเขาเลยทั้งที่รับปากันอาไวนะ้ไม่กี่วันก่อนว่าจะไม่ตกปลาแล้วอันถ้าเราเป็นภรรยานี่เราจะ พูดยังไงกับสามีนะภรราคนนี้แกก็มีสติดีนะแกก็พูดว่าพ่อกำลังทำอะไรอยู่จ๊ะสามีก็ตอบขึ้นมาทันทีเลยผมกำลังสอนไส้เดือนให้ว่ายน้ำ <c oughs> เจอคำตอบของสามีแบบนี้ภรรยาควรจะตอบว่าอย่างไงถ้าเป็นเรานะภรรยา ก็กลับพูดขึ้นมาว่าเนี่ยพ่อไส่เดินมาอยู่ในน้ำนานแล้วนะอ๋อมันขึ้นจากน้ำเถอะเก็บเบ็ดแล้วก็ไปกินข้าวกันสามีเจอแบบนี้เขาก็เลยอายอมเก็บเบ็ดแล้วก็กลับเข้าไปในบ้านอันนี้ถ้าเกิดว่าเรานะลองสมมุติว่า สาการณ์ปเป็นอีกแบบหนึ่งภรรยาเห็นสามีตกปลาคานางคาเขาแต่ทั้งที่รับปากเอาไว้แล้วก็เลยพูดึ้นมาเลยนะด้วยความโมโห ว, ว่านี่เธอทำอะไรอยู่สัญญากับฉันแล้วไม่ใช่หรือว่าจะไม่ตกปลาถ้าภรรยาพูดแบบนี้สามีจะตอบว่าอย่างไรนะก็คงจะไม่ยอมรับผิดนะ ก็ จ, จะเถียงว่าเนี่ยฉันสัญญาที่ไหนนะฉันแค่รับปากแต่ว่าจะทําหรือไม่ทำเป็นเรื่องของฉันสามีพูดแบบนี้พยายาจะตอบว่ายัางไงก็คงจะพูดว่าเนี่ยพูดงี้ได้ยังไงนะรับปากแล้วไม่ทําตามที่รับปากอย่างนี้ใช้ได้ที่ไหนสามีจะตอบว่ายัางไงก็มันเรื่องของฉันนะเธอไม่ใช่พ่อฉัน จะมาสั่งฉันได้ยังไงแล้วเราคงนึกพากออกนะว่ามันจะจบยังไงนะนอกจากทะเลาะ ก, กันแล้วนี่ถามว่าสามีจะเลิกตกปลาไหมคงไม่เลิกนะเพราะคิดว่าถ้ายอมหยุดตกปลาก็เท่ากับว่าแพ้ภรรยาเพื่อที่ต้องการเอาชนะภรรยาก็ต้องตกปลาไปเรื่อยๆนะเพื่อแสดงว่าเนี่ยฉันไม่ยอมอยู่ในอำนาจของเธอจะมาสั่งฉันไม่ได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ย ภรยาเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะ ท, ทั้งที่เห็นสามีนะตกปลาคาหนาังคาเขานะก็ยังถามสามีว่าพ่อทำอะไรอยู่จ้ะพูดอย่างนี้เพื่ออะไรนะก็เพื่อเปิดโอกาสให้สามีเนี่ยนะาหาทางลงนะทั้งที่สามีก็พูดแบบให้ผลแบบค้างคูง่นะ กำลังสอนไส้เดินว่ายน้ำเนะี่ยมันเป็นเหตุผลที่ไม่ได้เรื่องเลยนะมันเป็นการเอาสีข้างเข้าถูนะแต่ว่าภรรยาก็ไม่โกรธนะไม่คิดที่จะยันสามีให้อยอมแพ้ทั้งที่มันชัดเจนอยู่แล้วนะว่านี่ตกปลาเนี่ยนะจะมาอ้างว่าสอนไส้เดินให้ว่ายน้ํา ภรรยาก็กลับพูดกับสามีเอองั้นก็ไสเดือนมาไหว้น้ำนานไปแล้วนะเอาไส่เดือนขึ้นอย่างน้ำได้สักทีนะเก็บเด็ดแล้วก็ไปกินข้าวกันพูดแบบนี้เนี่ยสามีก็ต้องยอมตามนะเพราะว่าภรรยานี่นะไม่เรียกว่าไม่เอาเหตุผลไม่ยันอันนี้ก็เป็นวิธีการนะที่ของภรรยาที่ มันช่วยทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ลุกลามกลายเป็นความขัดแยง้งกลายเป็นการทะเลาะวิวาแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็คงจะทำให้สามีได้สำนึกว่าเออเราไม่น่าทำเลยนะอันนี้มันเป็นเรื่องราวของคนที่เขารู้จักพูดนะเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มาคิดจ ะ, อะเอาชนะด้วยเหตุด้วยผล นะรับปากแล้วไม่ทําตามที่รับปากนี่ก็ต้องเล่นงานสักหน่อยนะรับปากได้ยังไงแล้วไม่ทําแล้วยังมาเถียงค้างค้างคุยๆแบบนี้ต้องจัดการนะเอาเหตุผลมาเพื่อที่จะยันว่าเนี่ยเธอเป็นฝ่ายผิดอีกฝ่ายหนึ่งจะยอมไหมอีกฝ่ายนึงก็ไม่ยอมนะก็จะต้องเถียงเอาสีข้างเข้าถูหรือถ้าเถียงด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้กนะ็ก็จะใช้อารมณ์ ว่าเธอไม่ใช่พอ่อฉันจะมาสั่งฉันได้ยังไงแล้วมันก็ไม่จบนะแต่คนเราเนี่ยบางทีเราคิดจะเอาชนะด้วยเหตุด้วยผลมากเกินไปโดยที่ไม่ได้คิดว่าทำเป็งานแล้วเนี่ยนอกจากจะไม่ชนะแล้วนะไอ้สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นก็ไม่เกิดสามีก็กลับจะตกปลาหนักขึ้นมีหมอคนหนึ่งก็พูดไปดีนะหมอประเสริฐผลิตผลการพิมพ์เป็นจิตแพทย์เนบะอกว่า เวลาสามีภรรยาทะเลาะ ก, กันเนี่ยอย่าใช้เหตุใช้ผลนะให้ใช้อารมณ์เวลาเจอความขัดแย้งเนี่ยให้วางเหตุผลลงให้ได้และให้อารมณ์นี่มันลอยขึ้นมาอารมณ์ที่มัานี่คือความรักนะความรักเนี่ยมันจะเข้ามาแก้ปัญหาเองภรรยาคนนี้ก็ไม่ได้ใช้เหตุผลนะแกก็ใช้ความเห็นใจนะรู้ว่าสามีทําผิดนะ ไม่ทำที่รับบาปแล้วก็เห็นใจสามีนะเพราะสามียังชอบตกปลาแทนที่จะยันสามีให้เป็นฝ่ายผิดก็เลยพูดเพื่อเปิดช่องให้สามีเนี่ยนะหาทางลงนะอย่างไม่เสียหน้ามากนะสามีบอกว่าเนี่ยสอนว่สอนใส่เดินให้ว่น้ําภรรยาก็เลยบอกว่าเออใส่เดินมันว่าน้ำนานไปแล้วนะเอามันขึ้นจากน้ําสักทีเก็บเบ็ดแล้วก็ไปกินข้าวกัน อันนี้เราว่าพูดด้วยความเห็นใจเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่งนะไม่ได้คิดจะเอาชนะเพื่อยืนยันว่าฉันถูกนะเธอผิดนะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นท่าทีที่นะไม่ใช่เฉพา ะ, ะไม่ได้สำคัญเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยานะกับเพื่อนร่วมงานนะกับพ่อแม่ลูกนะหรือในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ตามเนี่ยว่าจะมันจะรับลื่นเนี่ยมันก็ต้องอ รู้จักใช้ความเห็นอกเห็นใจหรือความเข้าใจฝ่ายหนึ่งด้วยนะอย่าใช้แต่เหตุแต่ผลเพราะเหตุผลเนี่ยมันมีข้อจำกัดนะโดยเพราะถ้าใช้เหตุผลเพื่อจะอเพื่อจะมาเอาชนะกันเพื่อจะยืนน้ ว, ว่าฉันถูกแกผิดแบบนี้นี่ก็มันมีแต่จะก่อความเสียหายหเกิดความทะเลาะวิวากันอย่างที่เห็นบ่อยๆนะในทุกที่นะในบ้าน ในที่ทำงานแม้กระทั่งในวัดนะหรือว่าในสังคมวงกว้าง